อันนี้สมควรการฟังเทศถ้าได้ฟังสิ่งที่เนีไม่เคยฟังสิ่งที่ฟังและประจําได้ดีทั้งใจให้องใจสะอาดขึ้นหีบได้ความรู้ความฉลาดหลายเรื่องหลายอย่างมันเป็นเพจให้ได้ประโยชน์หลายด้านหลายทางในการฟังเทศข้อจำพันถ้าฟังเทศง่วงแล้วไม่ได้ปัญญา ถ้าฟังเทศชอบใจติตใจในคำในครามเทศนานั่นคือว่าได้ความเข้าใจลึก <Yeah. S 2> ซึ้งนั่นจะได้ปัญญานั่นเลยีประโยชน์มากในการที่เทศเมื่อคืนที่แล้วไปนี้นั่นจะเริ่มที่เทศจะแล้วนะให้ฟังทําอาทิตย์ต่อับในในการเทศในวันนี้สักหน่อยหนึงก่อน ที่เทศไปแล้วในคืนที่แล้วไปนั้นพูดถึงเรื่องการศึกษาในทางพุทธศาสนานั้นถ้าจะให้เข้าใจตามข้อเทีจจริงคืองเรื่องหลักพุทธศาสนาแล้วจะต้องพิจหาคน้นคว้หาข้อเท็จจริงถ้ามันได้ใช่ก่อนาศาสนาเรื่องของความเราฟังไป่กฟังกันเยอะ มีหลายแห่งหลายคำพิมีหลายบทหลายบาทมีหลายครูบาอาจารย์เทศนาสังสอนนะครับนี้ไปฟังโน่แบบฟังนี่บัดูโน่นดูนี้บงังเทเลลอดเลเรอเรือือเรือไม่ถ้าเราจับไม่ได้ฟังธรรมาะใ่ศึกษาพุทธศาสนาก็ เ, าเลยไม่มีจุดไม่มีจุดจบพุทธศาสนาสอนจบสอนจบเป็นไม่เหมือนมิชาอื่น ข้ามาจบในที่นี้เนี่ยได้สำเร็จว่งผลนิพานเดีวยวกันทั้งหมดรือเปล่าไม่ใช่ง้นคือหลักนั้นจบเป็นแต่เราปฏิบัติเนต่เราศึกษาและปฏิบัติเนี่ยว่าทันจบเห็นนั้นหลักพุทธศาสนามีจุดสำคัญคือว่าศึกษาและจบเป็นที่พูดนี่พูดถึงเรื่องที่เกิดบ่เกิดที่เกิดของพุทธศาสนาเทศเมื่อคืนที่แล้ว เกิดในที่แห่งเดียวคือที่ใจแห่งเดียวพูดนี้เมื่อคืนถ้าไม่มีใจใสียอย่างเดียวแล้วพระพุทธเจ้าก็ไม่เปลนพระพุทธเจ้าเลยโดยเฉพาะคนเราทุกคนถ้ามีไม่มีใจอันเดียวจะได้ตายพระพุทธเจ้าชำระพระไทยของพระองค์คือพระไทยที่ใจนะ่ะใสสะอาดหมดจด จากที่เล่ปากประธรรมจึงได้ตัดสรูปขึ้นมาตรงนั้นที่ใจนั้นที่เราเราลึกถึงพระพุทธเจ้าก็ไม่ใช่เราลึกถึงพระจิตสรีระร่างกายของพระองค์คือเราลึกถึงเครื่อคุณธรรมที่ได้สําเร็จอย่างเช่นว่าอรหังสมมาสมุทัยจารณาสโนสุกโตโรกวิทูอะไรไม่ใช่เราลึกถึงพระพุทธเจ้าเราลึกถึงคุณธรรมคือ ใจทัศนตาบริสุทธิ์นั่นเองจึงรวมความเรียกว่าพุทธศาสนาเกิดที่ใจบริสุทธิ์ให้จับตรงนั้นให้ได้จะเทศที่ไหนฟังคำทีไหนอาจารย์ไหนพูดกับพูดเธอไม่หนีจากใจสักแห่งเดียวสักองเดียวมีคาถาบาลีที่ยกขึ้นเป็นโอเศ ที่มีสักขีพิยานก็คือจ่าที่ทั้งเทสนามะโนภูพังขมาธมามโนเกษตรฐามโนายาทำทั้งหลายมีใจถึงก่อนมีใจเป็นใหญ่สาเร็จแล้วโดยใจพูดถึงเรื่องใจนั้นคนเราก็พูดกันถึงเรื่องใจทงนั้นดีใจเสียใจชอบใจรุ่งใจอะไรนันตามพูดถึงเรื่องใจนั้น แต่คนเรายังไม่รู้จักตัวจริงคิตใจของเราเนี่ยเป็นยังไงลักษณะาการของใจเป็นยังไงนี่มันยังข่างไสตรงนี้ถ้าหากว่าเราอยากจะศึกสายเข้าถึงหลกักพุทธศาสนาทีเห็นที่เกิดพุทธศาสนาก็ทำล่าใจของตนเสียก่อนให้เห็นตัวใจจับใจได้ให้ได้เสียก่อนจึงจะเข้าใจในหลกักพุทธศาสนา ถาห่างยังจับใจไม่ได้แล้วฟวังไปตั้งแต่จับหลักพุทธศาสนาไมได้ว่าคือว่าอะไรถึงพุทธศาสนาทแท้จริงท่านสอนตรงไหนศาสนามีคุณค่าประโยชน์ยังไงยากที่สอนเมื่อคืนนี้สอนอย่างนี้วันนี้จะสอนต่อเพื่ออธิบายต่อเมื่อพุทธศาสนาเกิดขึ้นที่ใจแล้วค่ะนี่ สมัยควองพุทธศาสนาตั้งต้นลงรากที่ใจได้แหละต้นไม้ของเราที่เราปลูกเม็ดผลเม็ดมันตกลงที่ดินมันถูกน้ําถูกดีแต่มันก็แตกงอกออกเป็นหน่อเป็นต้นเป็นลําต่อไปได้ลผลต่อไปพุทธศาสนาเมื่อตกลงที่ใจเป็นผู้ เป็นถ้าสมาธพผู้เจ้าเกิดนิจใจแล้วก็เป็นต้นขึ้นมาคือเราปฏิบัติเรียกว่าเกิดทุกคนได้ศาสนาคือเห็นศาสนาที่เกิดนี่ก็มีต้นคือตรงนั่น่ะแค่นั้นยังอธิบายต้นของทีต้นลังของพุทธศาสนากัน พุทธศาสนาเนะี่ยต้องมีต้นมีต้นแล้วก็ต้องมีเปลือกต้องมีกระพี้ต้องมีแกน่นอธิบายตรงนี้เพื่อให้เข้าใจง่ายจับหลักได้็นะนำปฏิบัติงันเนี้ยจะมาบรรยัญญติเองเพื่อให้เข้าใจง่ายคิ็ดด้วยทีท่วนหลักไอ่ที่เรื่องพุทธศาสนาที่ท่านสอนกันต้องมีเปลือกต้องมีกระพี้ต้องมีแกน่น ก็กำหลักเที่ยวไม่ได้เจอทางตรเทศนายว่าตะจ่ า, จาสาโลบบางคนเอาเปลือกมาเป็นแกนบางคนเอาแกนมาเป็นเปลือกด้วยเหตุที่ไม่เข้าใจต้นไม้แต่และต้นนะจึงจะเปลือกจึงกระพี่และแกนตลอดถึงรากและใบเก็นประโยชน์แต่คนได้อย่างถ้าเป็นยาสมุนไพรเขาก็ใช่ได้ทางนั้น บางอย่างเขาใช้เปลือกบางอย่างเขาใช้กับที่วบางอย่างเขาใช้แกดบางอย่างเขาใช้ไฟบางอย่างเขาใช้ลากยาสมุนไัรเองพุทธศาสนาก็ชำนอนเดียวกันแต่ว่าให้รู้จักใช้กันเะแล้วกันต่ามาบรญัาิเองื่อเข้าใจง่ายอย่างที่ว่านี่แหละการทำในศาสนาพิธีต่งตาง หรือการทำบุญุนทานรักษาถินอัจบาบัญญัติให้เข้าเป็นเปลือกเช็การฝึกหัดจิตใจอบรมสมาธิขวนาย ใ, ใจตั้งมัน่นแนวแน่มั่นคงอันนั้นให้เป็นกบ่เช็ดปัญญาที่เจรณาเห็นสัจธรรมอนนั้นให้เป็นแก่นเช็ เปลือกห่มหอกกับพี่ว้หล่อเลี้ยงกับพีให้เจริญงอกงามกับพี่ห่มห่อกแก่นไว้กับพีนั่นแหละหล่อเลี้ยงให้แก่นเติบโตขึ้นงอกงามขึ้นมีประโยชน์เกิดอะไรกันอย่างนี้ตลอดถึงรากและใบเป็นประโยชน์เกิดต้นถ้าหากว่าต้นไม้ใดมีติดแกน่น เราเรียกว่าต้นไม้ตายถ้าหากมี้ต่เปลือกเหมือนกับต้นกล้วยไมทาวอนถ้านี้ไดเกลือกพีกมันต้นท้องหลงังท็ไมมันคงอีกเหมือนกันแต่นิ้สาสนาไม่ใช่อย่างนั้นมีครบหมด ท, ที่ทรงตัวอยู่มาได้ตั้งสองพันกว่าปีอือย่างนี้เรื่องพุทธศาสนา อันนี้จึงฟังบรรยายต่อไปทั้งเรื่องเปลือกพิสาศาสนพิธีเป็นเครื่องวัดนที่ใดศาสนาใดก็ตามถ้าหาไม่มีศาสนพิธีไม่มีพิธีแล้วก็ไม่มีเครื่องวัดเครื่องหมายในลัที่นั้นศาสนานั้นอย่างเรามีพิธีเวียนเทียน โบราณท่านยังว่าทานเป็นเครื่องเลี้ยงพวกคนศิลปเป็นมนต์เป็นวิชาปัญญาเป็นอาวุธท่านกล่าอะไรอย่างนี้ทานนั้นเป็นเครื่องเลี้ยงกสมบูรณ์เครื่องหล่อเลี้ยงสม่ำนั่งเจ้าพระสงฆ์บวชมาไม่ได้รรทํามาฆ้าายาอยห์หิทธิทำงานไช่ข้อสุขทวบานถ้าชาวบ้านให้ทานท่สมมติเลือก ถ้าเขอยู่ไม่ได้แต่คนทั้งหลายการเข้าใจการทําบุญทำท า, ทานทาทาทาเป็นของเล็ก น, น้อยแล้วไม่อยากทำทำบุลสักบาทแต่ละวันละวันนึงนิดเดียวไม่อยากทําทำไม่อยากทําใหญ่โต ท, ทํากระทินห้ือทำกองบวดอะไรต่างๆเพราะฝ่ายใหญ่โตของทางนมีชื่อเสียง ด, งดงังๆมีเครื่องมือนเล่นมีเครื่องหือตัวครบงานคนมากๆมกี ผ้าตัดหรือกินเหล่าเมาส์ลาเฮ ห, หาดังฤทธึกินั่นยังไม่ได้บุญมากจะมาวาไม่จริงอะถ้าขาดอาหารเนี้ยเดียวทำไม่ได้เลยถ้าไม่ได้กินเนี่ยทำาม่ได้ดอกบุญมนั่ะคนที่ตระ บ, บาดวันถึงวันนั่นน่ะดีกว่าให้พ้าได้ฉันอีกวันวันหนึ่งก็ไม่ตายพ้ายังจะได้ไปทำพิธีมูลนิธิ คนยิ่ง ไ, ได้กล่าวไปวบญชาตรงไปทานอย่างยอดเยี่ยมเดี๋ยวให้จิตเป็นทานคืออาหารนี้เองแต่ยังจัดว่าเป็นเปลือกยังไม่ใชงแก่นของพุทธาศาสนาก็ อ, อะไรเพียงทําบุญทุนทานให้เฉยในจิตใจวันไวเดี๋ยวพวกคิจเตียนมาห้ามันมาจัดส่วนปายแล้วยู่ไม่ได้ลงกับเขาล้กับคาลมของเขาลงกับเงินกับทอง ถ้าชวนได้ไปทำไอ้ซือศาสนาแล้วก็จะให้ทุนอย่างนั้นอย่างนี้พุดธนุนอย่างนั้นอย่างนี้โดยเฉพาะก็คือไปเจ้ารับบาปชอบใจนะสนุกทําบาปเลยถึงว่าที่กับไปเจ้าไปําระรับบาปแะไรก็แล้วกันเราทําได้สบายทาบาปนี่คนทําบุญคิตใจไม่มั่นคงนักแนงอย่างนี้ธรามะจึงสมมติจะเปลือยยังไม่แค่กับพี่นั้นไม่ไม่มั่นไม่มั่นคง แต่มันก็เปลือกนี่หละหุ่มหอกกับพีไว้ก็อย่างอธิบายมาแล้วถ้ามีอาหารเราจะอยู่ไม่ได้ถ้ากระปวดอยู่ไม่ได้ถ้าเราคิดถึงอย่างนี้แล้วว่วงไหมหน่าชื่นใจที่เราได้ทำบุญวันหนึ่งวันหนึ่งคือว่าหล่อเลี้ยงผ้าที่มีชินมีทำให้เจริลูกลูกกันหลานต่อไปเหมือนกับพุพาจา์ที่ทาบุญทดทานมา ห่อเลี้ยงผ้าไว้ให้เราได้กราบไหว้ถะ บ, บูชาถ้าพวกเรานะ่ขาดการทําุนทำทานะพวกเราเขจะไม่ได้เกิดพ้ะก็อย่างชาติโดนิเซียง่ะตะมาเคยพูดให้ผ้าไม่มีเลยผ้าจากสูนได้หมดไม่มีผ้าเลยมามีเพิ่งมามีเองอันนั้นพวกอิสลามมันเขาทำลายหมด ศาสนาอิสลามมันแตกเพื่อนในเหมือนศาสนาอื่นทิพย์เขาก็ไม่เหมือนฮินดูก็ม่เหมือนกันอิสลามนี่แตกเขาถ้าใช้ไม่ถือศาสนาก็แล้วฆ่าแล้วมันได้บุญเขาถือว่าเป็นพระละปัตหนึ่งปัตยังไงนี่นศาสนาทําลายไอ้ทิพหายเคราะอิสลามไม่ได้เพราะฮินดูอินเดียกับพระอิสลามอินโดนีเซียกับพระอิสลาม เหตุนั้นเราควรคิดถึงปุกุบรุษคือว่าหูญญาตาทวดคนที่เลี้ยงหล่อเลี้ยงผู้จัดศาสน า, าให้พวกเราวัดวาที่เราเขาวัดเขาวาฟัางเทศฟังธรรมนนรักษาศีลธรรมนี้ล้วนเนี่ยแต่ทานทั้งนั้นแหละท่านทรงเสริมหล่อเลี้ยงรักษ า, าให้พวกเราพวกเรามาถึงยุคนี้สมัยนี้เราควรที่จะรับมรดกเหล่านั้น แทนท่านไว้เพื่อเป็นประโยชน์แก่ลูกหลานต่อไปคนเราถ้าคิดถึงบุญคุณของภุภกาลีผู้มีคุณแก่เราในเบื้องต้นแล้วรับฉนองบุญคุณของท่านจะกรุณ ก, ก็ตามคุณงามความดีหรือวัดว า, าศาสนาก็ช่างก็จะถามหวานมันคมต่อไปแม้แต่ประเทศชาติก็เป็นเดียวกันถ้าเรารู้สึ้งลึกถึงบุญคุณเช่นนี้แล้วประเทศชาติบางเบืองกระถาวรมันคมต่อไป ไม่มวันที่จะเสื่อมสูญถ้าหากว่าเราไม่คิดถึงบุญคุณหมดนี้แล้วก็อย่างละที่ที่มันตรงตะคากทำลายหมดคนที่ทำไม่คิดถึงบุญคุณของกุพกาลีแล้วทำดีไม่ได้ไม่มีการทำดีเลยแต่คิดเพียงแต่วงตระกูลของเรากระไรไหมโดยเฉพาะในตัวของเราถ้าไม่คิดถึงบุญคุณกุพการีแล้วไม่มีการทำดีครับเพราะเราเลือกถึงกุพการีที่ทำคุณงามความดีแก่เราแล้วลเราจึงจะสนองบุญคุณค่ับ ยังแนวางกุศลศาสตร์นะยังสอนกัตตานิวกัก ต, กตวิทีกตตานิวกัตวทีนี่เป็นคุณงามคุณดีเรื่องเหล่านี้แหะเป็นเครื่องรักษาบริหารโลกให้เสื่อมสูญให้พิจารณาเอาเองเรื่องเปลือกเป็นยาหลายขนาดนี่เป็นยารักษาโรคภัยไข้เจ็บเป็นยารักษาร้ายเรื่องหลายอย่าง แล้วแต่เราจะไปปรุงไปปุงไปแต่งให้เข้ากับโลกของเราใช้ได้ทานคือการทําบุตรทานคือการสระดักจากหักว่วงหวงมากเมื่อมีทานเช่นนี้แหละกับที่ขึ้นในสไปจักเปลือกจะหล่อเลี้ยงกับที่นะให้ แข็งแรงและให้มั่นคงต่อไปถ้าเปลือกนี่กับท่อจะแล้วกับพีแห้งไม่จเจริลยงอกงามต่อไปถ้ากับทียังห่มหอยอยู่แล้วเปลือกนี่ห่มห อ, อ ก, กับพีก็ค่อยจเจริญเติบโตขึน้นนั้นคืออะไรคือเราสามารถที่จะอบรมจิตใจให้ตั้งมัน่นเป็นสมาธิ แนวแน่นอ๋อเดี๋ยวลืมไปตอนที่อธพูดถึงเรื่องฐานอธิพูดถึงเรื่องสิทต่อกันเรียกว่าสมมิแทนเรียกว่าเปลือผู้ที่เห็นคุณค่าประโยชน์ของการสาราจารคาือทามุนสนญทานว่าเห็นคุณงามความดีแล้วสาราจารคสิ่งที่ตนมีอยู่จึงเรียกว่าสาราจึงเรียกว่าจารคไม่ใช่ของไม่มี เมื่อสละไปแล้วได้ความเบิกบานจิตใจผองใสจิตใจเบิกบานอิมอ่มเอิบในจิตในใจของตเรียบว่า บ, บุญเกิดขึ้นในที่นั้นท่า น, นี้การรักษาศีนก็เป็นการสละเหมือนกันศีนคือความที่เราพบพื้นไม่ดีเราพบพืสิ่งใดที่ไม่ดีไม่งามเอานักคิด โกรธถ้ามาณนะคิดที่ที่จ ป, ประหัตปหารหรือรักต่อาของขโมยของเขาใจของเราเศร้าหมองไม่ค่องใสทําทานแล้วค่องใสจาร่าแล้วค่องใสท่านี้มาคิดโกรธแค้นคิดอิสระเสียมันไม่ค่องใสแล้วก็เห็นใจของเรามันไม่ดีนม่งะคิดอยากสละจารก า, ารรักษาศีลคือการงยเวย้นจากความชั่วก็เป็นจาร่าหนึ่ง าานน ก, การทำทานนั้นเหมือนกันการทำทานนนนี่ทานดีกว่าการชละจากค่าภายนอกคนไม่มีอะไรจะทำบนทำทานทานความชั่วก็ดีเหมือนกันเลยคิดเร็วตามคิดไม่ดีคิดช้ดชาดิจิตี้คิดเจียดคิดคนไอ่เจียดแค่นคนนั้นคนนี้จากค่าสระทำทานออันนี้ได้บุญมากมาก ใครไปให้ใครทำบุญทาง ท, างท่านนั่นไฉ่ิ้งไแต่โลคนี้แหละใครเกิดขึ้นมาใครจะเอาเอาเถอะเราทิ้งแล้วก็ไปลเลยละไม่ต้องห่วงแหนหรอกอันนั้นเราอันี้มาเก็บวอา้องเก่าเขาเน้ยลเกย์นี่มาเก็บเอาอเาายลเาเเายเรื่องโทตามาหน้าทิพยเรื่องของโรกของปุ๋ของหลวงมาเก็บเอา้องเก่าเพาะนั่นผู้ที่ท่านเห็นโทษท่านทิ้งมัดทิ้งไว้โลกนี่แ่ะ ก็เกิดขึ้นมาเลยมาเห็นเป็นของดีคนดีพาตมาเก็แย่งชิงกันทะเลาะว่วาทชุ่มเฉียงแทงนี้แทงเด่นมาแย่งมาชิงกันเรื่องวันนี้แหละของที่มีนโลกของจอกหล่นอยู่วนันที่ทันชิงของวนันนี้นี่เป็นยาฆ่าส่วนดีอย่าไปถือว่าการรักษาศีลอาตมาสอนแล้วอ่ะย่าไปรักษาเลยศีลมันลำบาก สิ้นห้าตัวหกตัวแปดตัว1ิบตัวลอู้ยุ่งกันใหญ่ไป ร, รักษากันให้ถือว่าการสละความชั่วแล้วสบายสบายความชั่วมันหนักอยู่ในกายใจของตนสละของหนักมันก็เบาเลยทีิดียวถ้าไปรักษามันหนักคนเท่ากันแกสมัยก่อนเคยเห็นไม่ใช่หรือ เข้าไปวัดไสวา ว, าวัดพาวอันศีนมาท้าปริธานศี น, น, 8, น 8, แต่ขอศีนแต่แบกละไอ้ถือว่าได้จริงจีกันจังสีเดียวพร า, านให้แปดตัวคืนนั้นรักษาตลอดคืนตัวศีนจะวิ่งหนีพอรุ่งเช้ามาจะกลับบ้านมันมากคืนไปส่งคืนทั้งสามตัวนั่งเลือ5าตัวหนึ่งคนรักษาศีนก็จงนี กินแปะเอาไว้ได้บางทีผ้ามาบวชใหม่ๆเขาบวชเข้ามาไปดูน้ำมรกตว่านโอ้โหฉีดมานสองรอยยี่สิบก็ดิก ต, ตัวก็ไม่ได้ผูมาากมไม้ตัวจริงๆแข่งบังคับจนรอบด่านเลยจะมาเคยได้ยินเขาพูดกันว่าเอานะ้าบวชเจ็ดวันถ้าวานันก็ละบวชนานได้บัตมันทํำนองนี้ไปเห็นพระวิ น, นัยลังๆเข้าเราอยู่ไหมจ๊ะ มีแต่บาปทั้งเพศมีคนรักษาิีลใ น, นแบบนี้เห็นนั้นให้เข้าใจให้คิดใหม่ให้เข้าใจใหม่จัะให้ถือทัศนคใหม่จ้ะจะไปเข้าใจว่ารักษาศินให้เข้าใจถือทัศนที่ว่างดเว้นแา่ความชั่วระบาดมีการสะระ ขั้นต่อจากวัตถุสิ่งของคือสละควมชั่วเมื่อสละและวก็เบากายเบ า, าใจจะ ย, ยืนเดินนั่งนอนไปมาที่ไหนสบายเลยเข้าคบค้าสมาคมหาโมเพื่อนเข้าสังคมในใดสบายคนไม่สละรเรื่องเราเรื่องวันนี้ลองดูหากแล้วมีโทษมันจะติดอยู่ในดวงเราอย่างเราเคยชอบคองรักขโมยใครสักคนหนึ่ง เขาไม่เห็นเลยชัดนี่เราเคยฆ่าจัดแล้วกษาความคิดที่แท้จริงใก็ตามเด้ออย่างดื่มซุนลาเมลลายอย่างนี้กระตากเทั้งท่านที่ชอบใช่ว่าการรู้สึกว่าอายตัวเหมือนกันละอายคนรู้สึกตัวเหมือนกันเข้าหาผ้านีแม่มาล่อมาแลมทเดียวกลัวกผ้าจะทักกลัวผ้าจะว่าเหม็งเรานี่มัน รู้ชุดก็ได้ดีเหมือนกันควช่วเนนั้นแต่ว่าคนทกิเลสไม่ไดกิเลสมันมีกําลังหนักหนักแน่มนมันมาคาบว่าจนได้ถ้าเรารู้จักโทษด้วยตนเองสละด้ตนเองนั่นแหะคือตัวบุตรนั่นแหละคือตัวศีลนั่นแหะคือจาขาข่าฆ่าคือการสละอย่างดีทีเดียวอย่าไปห่วงไปห่วงความชั่วไว้แล้วมันเป็นเครื่องหนัก ทำตัวให้มัวหมอง ห, ห, หนักใจหนักใจเรื่องจากฆ่าในการสระความช่วยคิดเอาเองมีทุกคนนั่นแหละแล้วว่าใครมีมั่วทุกคนนั่นแหละพระเจ้าพระสังเวชวันี้ก็มีท่านจะคอยสละท่านทิ้งท่านปล่อยไว้ท่านทิ้งท่านปล่อยแท้ท่านจะค่อยออกมาสละท่านจะมาปวด ท่านจึงไม่หนักถ้าหากไปรักษาอย่างที่ว่าน่นนาอยู่ไม่ได้บวดอยู่ไม่ได้เยื้อให้ศีลพวกนี้โยอมอย่างที่โยมมาขอได้ให้ศีลหมดข้าก็ไม่มีศีลสักตัวเดียวหมดเลยถ้าไม่ได้บอกว่าให้นะตัวบาลีเป็นตัวหนังสือที่ว่าธรรมธิยามิสข้าพระเจ้าขอธรรมาทานคือถือเอา ตัวหนังสือพูดอย่างนั้นเอาจะมาทางถือเอาแต่ว่าอย่าไปลืมคำว่าเวรมณีก่อนยังค่อยสมาธิยาม้เวรามณีที่ขาประทางสมาธิยามเวรามณีถ้าหมายของท้งมดเว้นจากควางชั่วเคยมีครั้งพุทธการก้องเห็นสช่นนี้เคยมีถ้าอาหนึ่งเว้มีครูบาาจารย์อธิบายทั้งเรื่องสีมเยอะแยะโอ๊โไม่ไหวแล้ว ซื้ออยู่ไม่ได้ไม่ ก, ก็จะไปซื้อพระองค์พระเจ้าเห็นไปไหนกันหรอโอ้ข้าพระองค์ซื้อเก็อยู่ไม่ได้จินเยอะแยะส่วนรักษาไว้ น, น้องทานแค่รักษาจินตัวเดียวออกไม่ต้องออกมากหรอกคือตั้งใจเงินเรียนเด็กคนชัว่วกเอาละเพือ่องี้พอเอาได้เล ย, ย เ, เ, ดเลยอยู่ตั้งใจงิเรียนอย่างเดียวขอเดียวหรืออยู่ต่อมาเลยเจริญสมรรถธรรมจนเสเด็จพระพารา รักษาศีลทันเดียวคือขอดลดเว้นคริสจตีนานลดเว่นงดเรื่องกันอันนี้ว่าถึงเรื่องเปลือกท่า น, นี้กับที่นะ่ะถ้ามีอันนี้เป็นเครื่องอยู่ยทําบนญ้นทานรักษาศีลประพฤติงดเว้นแก่วรมชั้วอย่างที่ว่านี่นแหละแล้วกิตใจก็ฟองใสเบิกบานกินใจก็แน่วแน่เป็นสมาธิภาวนาหนักแน่นมั่นคง เห็นคุณงามความดีของพุทธศาสนาโอ้โหาศาสนาสอนเราทำไรความชั่วจิตใจไม่มัวหมองคิตใจใพองใจสะอาดคิตใจทันแนวแนวที่มันก็ไม่ลืมหลยค่ะนี่ยืนเดินนั่งนอนเอานัอนเป็นอนุสติเรียกว่าจาคานาสติที่ล า, าสติหรือพุทธ า, าสติเอาคุณงามความดีของพุทจเจาที่อบรมนําส อ, อนะเป็นเครื่องระลึกอยู่ตลอดกาลเวลาอนุสติ แนวแน่ในกายในใจของตงนยตลอดเวลาแม้จะประกอบอาละธุรกิจประกอบอาชีพใดๆก็งดไม่ลืมเลยใจนะักแน่วแน่มั่นคงใครจะมายุยงส่งเสริมแลวใครจะมาหลอกลวงให้หลงเชื่อในะลทัทธิอื่นศาสนาอื่นเป็นไม่ได้เด็ดขาดนี่มัม่นคงลงไปอย่างนี้ ก็พี่ยังมีแน่นหนามันคมกับเปลือกใครจะมาชักจั่ไปเส้นอื่นไปไม่ได้พระเจายังตรัสเทศนาว่าลูกจิตของเราฐาคตตักฐานปล่อยได้ไม่ติด้วงแหนมนรดกที่อื่นศาสนาอื่นและที่อื่นแล้วถ้าใครเข้ามาหาสำนักของตนแล้วไม่อยากให้ไปหาสำนักอื่นเลยยิ่งไปหาสำนักพระสมณโคดรแล้วไม่ได้ นักภ า, าสนาศาสนาต่างๆเย็บไปนาะไปหามาหาสมาัาสมณะโคดมเจ้าไม่ได้ท่านมีนัเยบายกับจิตกับใจคนเก่งนักหนาะไปเียก็กลับไม่ได้แต่ศาสตาพูติเจ้าไม่หยักทัดถามปล่อยเลยเพราะมีกับี่นักแน่นมั่นคงความที่มีกับพี่นักแน่นมั่นคงเนี่ย ความที่ตั้งมั่นนักแน่นอยู่อย่างนี้แหละจะได้ชิดคนพิจารณาถึงเรื่องหลักธรรมคาสองพจน์ย่อต่อไปว่าศาสนาได้มีอะไรเป็ น, นแก่นกลางพระองค์สอนว่าทุกสิ่งมันมีสาระโลกอันนี้มันมีสาระแม้ในตัวของเราก็เหมือนกันทุกวันในนี้เราหลอ่อเลี้ยงชีวิตของตนด้วยอาหารด้วยปจัจจัยแดงต่างนะ่ะในผลที่สุดก็ไม่มีอะไรเป็นสาระ จะบริโอาหารวันละสี่มื้อห้ามืออ้อกระตายเธอไม่เจ็ดแต่สองสามมื้อแหละส่งเสริมเพื่อให้นานตายนิดหน่อยบางทีอาจจะตายเร็วซ้ำแฉลงอาหารแสลงก็ตายเร็วซ้ํา น, นะถ้าหาลูกจักรักษาอาหารรับประทานพอประมาณก็พอยังประทังชีวิตให้เป็นไปในวันหนึ่งวันหนึ่งไม่ใช่มันจะหนุ่มขึ้นมาหรือ ใครทานอาหารใช้เป็นหนุ่มขึ้นมามีบ้างไม่เคยเห็นเลยทานมือเดียวผ้าท่านทานมือเดียวท่านก็ไม่เป็นหนุ่มนีแต่แก่ไปทัว่วญาณโยมทานสองมือส ม, มือือก็ไม่เคยยังใครจะเป็นหนุ่มขึ้นมาสักคนเดียวอาจารย์มาอยากจะพูดห ย, ยาบๆให้หน่อยคือว่ามันเป็นคํหยาบอาจะมาว่าจ้างมันอยู่หรอกถ้ามันมีเครื่องจ้างวันนี้มนไม่นีเครื่องจ้างมันไม่อยู่จริงๆเลยชีวิตอันนะี้มันไปเลย อาธมาเ่องจ้างเครื่องจ้างมันอยู่ใครจะห า, าหารดิบดีวิเศษพิเสษมีค่ารักษาท่านใจจะตามเถอะจ้างมันมันอยู่มันเป็นคำหยาบสักหน่อยแต่มันถูกแล้ว่ะของจรงิงเปไปจรงิงนะครับพระเจ้าพูดโกงๆอาธมาก็เลยพูดตามพระองค์กันหรอกเนี่จะงหว่าไม่มีสาระหากว่าเราจ้างมันอยู่นะจากร้อยปีนหากเราไม่ได้คิดนึกถึงเรื่องหลักคะหลักคำคำสอนเบื้องเจ้า ไม่ลาช่วยทําดีอย่างที่ว่าไม่มีประโยชน์อะไรเลยมีแต่จะมาเปลืองอาหารของโลกมันแย่แค่กันกินอย่างนี้ยุ่งกับเยื่อเทียนีลยไม่มีความสงบสุขเลยโลกนี้ถ้าหากว่าเรามาพากันรู้คุณค่าประโยชน์ในชีวิตของตนอยู่เพื่อประโยชน์แก่คุณงามคนเพื่อประโยชน์แก่โลกคือว่ามาสร้างคุณงามความดีให้เกิดมีเสน่ห์ุมเฉียวงูฝนทั้งหลายที่ร่วมกัน แล้วพยายามละทั่วทํางีเนี่ยอยู่เป็นานตั้งแต่ก็ยังมีคุณค่าประโยชน์อย่างพระพุทธเจ้าทั้เกิดขึ้นมาในโลกเรียกว่ามาทําโลกมาสว่างต้องมีชีวิตอยู่เท่าไหร่เท่าไรก็เลยเป็นสุขตูไปในสถานที่ใดเป็นสุขมดทั้งพระองค์เกิดสุขชาวโลกทั้งหลายก็เป็นสุข คนได้รับความทุกข์ เ, เดือดร้อนเข้ามาพระพุทธเจ้าได้ความจุกสบายเบิกบานเป็นประโยชน์แก่โลกโลกสุกโตพวกนี้่านแล้วใครจะด่าทุกปู่ทุกค น, กคนถ้าเกิดขึ้นมาโรคโรคแล้วนะ่ะใครก็อยากแช่งอยากจะให้ตายมีนีทานเล่า ไ, าไว้เรื่องสงมหากาสตัตวองค์หนึ่งโอ้เวียดเบี ย, ปยดดนประชาชนจาบ้านชาวเมืองโปรตเุเกสทหารหมาเล็รศรีชายสารพัดทุกจงังเกลียดมุดทุกคน เวลาพระเจ้าเป็นดินองค์นั้นสวรรค์ะคตคนร้องไห้ทางบา้านทางเมืองแม้ค้นเป่าประตูก็ร้องไห้มีเขาเวปถามว่าทาไมจึงร้องไห้เสียายพระเจ้าเป็นดินอยางให้พระเจ้าเป็นดินยังมีชีวิตอยู่นะเดี๋ยวฟ้าไม่จะงั้นอหอกคือกลัวพระเจ้าเป็นดินจะกลับมาอีกร้างไห้กลัวพระเจ้าเป็นดินจะกลับมาอีกจะมาเกิอดอีก นี่คนที่เกิดจะ ม, มันโรคโรคโรคบ้านโรคเมืองมันโรคทั้งตัวเองก็งเลยลองเที่อันพวกที่เกิดจะมาคนชิตเฮโรอีนชิดยาเสพติดทําประโยชน์ได้แก่ บ, บาก้านแค่เมืองก็ไมไหช่จะทำมาให้กินก็ไม่ใช่โรคบ้านโรคเรือนของพ่อของแม่อีกโรคหูโรคตาย่าี่นองอีก ครูบาอาจารย์อีกรัฐบาลอีกตัวตนเองก็แม่เหจะเข้าครบค้าสมาคมใครเขาทำหมาครบด้วยโรบตนเองอีกมีคนชัว่วเลยเนี่ยพระได้จาเกิดขึ้นมาจะเป็นคนโรคๆท่านแบบนีน้แต่เราไม่จัดเรื่องรคมันรคยังไงเราไม่รู้อีกลแล้วเข้าใจมันสะอาดเองตรงนั้นมันสวยสดงดงามมันสะอาดมันมันเตียนตรงนั้นเข้าใจมันเตียน เนี่ยความมหลงควากลมันหลงตรงนี้เห็นนั้นทั้งว่าศาสนาพรุทธเจานะ้าน่ะมีหลายชาติหลายภูมมันมีทั้งเปลือกมีทั้งกระพี้มีทั้งแกนถ้าหากเราพิจารณาถึงเรื่องเหล่านี้แล้วเราจะเห็นแเราจะเห็นแกนว่าเกิดขึ้นมามีสละอะไรหรือเปชีวิตอันนี้นะ่ะทุกคนเกิดขึ้นมาแนละ้วจะต้องตายด้วยกันทั้งนั้นอนะ่ะ ไหนเกิดขึ้นมาไม่จะต้องตายล้วยกันนะจะทําประโยชน์ให้มันเกิดมีแก่ตนและคนอื่นเสียจะเป็นประโยชน์เมื่อพิจารณาทั้งเรื่องหลักธรรมคาสองประโยคที่ท่านว่าอนัตตาเมื่อเห็นเช่นนี้เราจะละมานะคิดที่รด้ความเห็นแก่ตัวจะได้ดํารงชีพอยู่เป็นสุขทั้งตนและคนอื่นในโลกคนนี้ในเมื่อมีชีวิตอยู่ ตนเองก็ได้รับความสุขความสบายทำมาค้ากินค้าขายจ ะ, จะเจริญ ง, งอกงามไละรุ่งโรจน์โดยประการ ใ, ใดๆก็ฉินเป็นตักเทว่าเป็นของอ น, นิสาละเพียงเพื่อประโยชน์ชีวิตที่มีอยู่เท่านั้นหากว่าจะล่มจมแลอเสื่อมสูญโดยด้วยประการต่างๆแล้วก็แจ้อะไรใช่ว่าของอ น, นิเป็นของไม่ใช่ของเราเป็นของอนัตตาของอ น, นิมีอยู่ในโลกนี้เท่านั้นเวลาระลา โลกนี้เราไม่มีใครจะไปด้วยสักคนเดียวมันก็สบายใจไปไมีก็ไม่เดือดไม่เถอเถื่อมไม่ลืมตัลืมตัวถึงว่าจะจนก็ไม่เดือดร้อนวุ่นวายไม่เชียวเสียใจจนเปืนขอบเสียเพเหตุที่เรามีหลักธรรมคือพิจารนาเห็นเป็นของไม่มีสาระที่เรียกว่าอนัตตานี่เข้าถึงแก่นทางพุทธศาสนาถ้าหาเรารู้จัก เปลือกรู้จะแก่นรู้จะกระพีแล้วเราปฏิบัติให้ถูกตามหลักพุทธศาสนาอย่างนี้เราจะเห็นคุณค่าวัตถุศาสนาที่มีเป็นเของมีคุณค่าจริงๆเรานำมาใช้ชกชีวิตของตนให้ชื่นสดชื่นของใสสะาดท่านผู้มีปัญญาวิเศษยิ่งกว่าพวกเราอีกเมื่อท่านชีวิตของท่านดับศูนย์ไปแล้ว ท้าทิ้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีสาระท่านทิ้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างยังเหลือแต่แก่นคือความบริสุทธิ์ขอท่า น, นนั่นเรียกว่าแก่นในเมื่อไม่ตายแต่ว่านั่นก็ไม่สามารถที่จะทรงศาสนาไว้ได้เหมือนกันคือท่านได้แก่นแล้วทั้งหมดมรณะภาพคือท่านนิพพา น, นหมดเรื่องทิ้งเลยพวกเรายังไม่ได้ถึงแก่นตรงนั้นให้ถึงแก่นตรงที่ว่านี้ก่อน ให้มีกัะพี่แล้วก็มีเปลือกมีแก่นที่ว่านี้ให้รักษาและปฏิบัติตามแนวนี้ซะก่อนหากว่าถึงที่สุดตรงนั้นแล้วคือเวลาแตกดบับแล้ยังเหลือแต่แก่นแตแท้อันนั้นเป็นเรื่องส่วนตัวนี่คั้งสอนที่อธิบายในวันนี้สืบเนื่องมาจะคืนที่แล้วมาโดยลำดับเพราะฉะนั้นก็ขอให้ทุกคน พากันฟังและจดจำนำไปคิดพิจารณาลองดูบัญญัติจะมาอาธิบายนี่จะไม่ถือว่าเป็นบัญญัติที่พระเจ้ญญาจะเทศนาจะมาบัญญัติเพื่อให้จดจำและพิจารณาง่ายๆถ้ า, าหากเข้าถึงของจริงแล้วก็จะถึงหลักทำคำสอนพระเจ้าเหมือนกันลงอณตามันเดียวกันหลักอธิบายรวมพลังงานของใจเหมือนกับ รวมแม่น้ำที่มันไหลอยาตามธรรมดาแทนที่เราจะให้มันปล่อยไปตามเรื่องมาทดนะแล้วก็จงกองไอ้น้อไอ้มันไหลมันจะค่อยไหลแหลงใจของเราเราเช็นนั้นเหมือนกันมันพุ่งส้าส่งไปซ่าระพัดทุกคิดทุกทาง มันไม่รวมใอสักทีเราจรึงมาหาสมาธิให้จิตรวมในที่เดียวให้อยู่ในอารมณ์ันเดียวคิดเฉพาะเรื่องเดียวอย่างมโมยหานี่แหละท่านถ้างางว่าคิดในเรื่องเดียวแล้วมันจะเห็นชัดในใจอราตั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 อย่างพูดใด้ฟังง่ายๆว่าเราการลมหายใจท่านลมหายใจใพักเป็นมันหมดแล้วไปเรื่องอะไรมันสมใจผายผา น, นอกมันหมดแล้วมันยังเหลืออยู่แต่ความรู้สึกคือเรียกว่าอันที่เรียกว่าใจนะมันยังอันเดียว อันนั้นเรียกว่าเข้าถึ้งใจแต่ว่าอันนั้นเป็นตัวอย่างให้เชยให้เห็นใจเท่านั้นแหละแต่มันไม่สามารถที่อยู่ได้นานต้องมาฝึกหัดหใจของเรานี้ด้วยพิธีต่างๆนึกพุโทโธพุธโทโธมาอยู่ในโดนมาเดี๋ยวเอาเ น, น, นื้ออนาฟาสติ ก่จนาลงให้ใจเขาออกก็เอาแต่ว่าให้เอาอันเดียวจะอันใดก็เอาจนกระทั่งมันรวมลง่าได้เข้าถึงจุดคือตัวใจนั้นจะอยู่ได้นานบางทีเราอยู่ได้เป็นชั่วโมงสองชั่วโมงก็ได้ มันจะไม่คิดนึกสงสัยอะไรตัางมีแต่ความรู้สึกเฉยๆความรู้สึกอันนั้นแหละจะเป็นเหตุให้แพ่เมตตาได้ก่วงขวางไม่ยากคิดอะไรต่างก็ได้ก่วงขวางแต่คิดแล้วมันก็ไม่สงบไปมันกลับเข้ามาว่าจะหาตัวเอง อาหารก็ส่งออกไปแล้วมดถ่ามันมีพลังจิจเจรณาไล้มันกลับเข้ามาอยู่ในที่นี้เตัวเดิมมันจับหลักเข้ามันได้นั้นอะยังค่อยมีกำลั ง, ลงอะไรท้งมดเขาให้รวมมันมันได้เดี๋ยวนี้เรา ตั้งแต่ เ, เกิดจนป่านนี้แหละใจของเราไม่เคยรวมสักทีมันยังยุ่งยากอ ย, อยู่พันลองได้สักทีหนึ่ง